ทีนี้ตัวสมาทานวิรัติให้สังเกต ด, ดูไหมท่านยอมสละไม่ยอมสละสิกขาบทก็คือไม่ยอมสละศีลแล้วก็คว้างมีดเล่มใหญ่ที่ถือมานั้นน่ยเข้าป่าไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางและตั้งสมาทานดูตรวจสอบกุศลศีลตนเองถ้าเรามองอย่างนี้นะคนที่กล้าสละชีวิตเนี่ยศีลตัวนี้จะนําความปลื้มใจมาให้ให้สังเกต ด, ดูนะเคยยกตัวอย่างพระเนี่ย พระที่ท่านออกบวชที่เคยเล่าไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่ท่านออกบวชแล้วก็ต่อมาก็ท่านทิ้งทรัพย์4ี่สิโกดแล้วออกบวชต่อมาทางน้องสะพ้ายเห็ไหมน้องสะพยหรือพี่สะพ้ยมีแน่ใจนี่นะก็จ้างโจรผู้ร้ายห้าร้อยนี่นะให้ตามฆ่าพระภิกษุรูปนี้นี้ ทำไมต้องฆ่าเพราะกลัวว่าจะกลับไปเอาซ้ำสี่สิบโกนนั่นแหละก็ฆ่าทิ้งซะเลยในทะเลาะเงน้นนี่พอมาไปเสร็จพวกโจรมาถึงก็บอกกับพระมาเจอพระก็บอกว่าเนี่ยเราได้รางวัลมาเนะัยเราจะมาฆ่าท่านพระก็เลยขอชีวิตเลยขอชีวิตว่าขออยู่คืนได้มหมวันกับคื น, น, น จนผู้ร้ายนี่จรก็ถามบอกว่าท่านมีอะไรเป็นหลักประกันแล้วพระก็เลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหลักประกันก็เลยนั่งนั่งลงตรงนั้นก็ยกขาตัวเองขึ้นบนโขดหินยกไปเสร็จก็เอาก้อนหินมาแล้วก็ทุบขาตัวเองทบทบจนแหลกละเอียดแล้วก็ยกข้างนี้มาแล้วก็ทบให้แหลกละเอียดอีกพอทบเสร็จเส็ก็ไปก็ถามโจนบอกว่าแค่นี้เป็นหลักประกันได้หรือยงัง พวกจอนก็บอกเอออย่างนี้ไปหลักประกันได้แล้วก็พากันไปกินเหล้าอยู่ไกลๆท่านก็เริ่มบอกว่าเออชื่อตัวเองเนี่ยนะบอกว่าตอนเนี้ยเจ้ามีเวลาเพียงคืนเดียวนะพอพิจารณาเบเสร็จก็ตั้งแต่บวชมาเห็นตั้งแต่บวชมาตนเองไม่เคยละเมิดศิษ้าบุเลย ไข้ควรปุกพระเจตนามุนจะเจตนาอัปราเจตนานะไข้ควรกุศลศีลนี่ตนเองรักษามาทันใดนั้ น, นไอ้ทุกขเวทนาทั้งหลายก็ถูกข่มด้วยความไม่เดือดร้อนใจปราโมทปีติปัสสธิความสุขก็โลดแล่นขึ้นเห็นมมันข่นมแพ้ได้เนี่ยข่มทุกขเวทนาที่ถูกทุกข์ขาได้เคยเกิดไหมล่ะ อ้ที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยรักษาศีลกันมาเยอะๆทั้งนั้นเน่ยเคยบ้างไหม <c oughs> นี้ถามจริงๆนะเคยเคยคิดถึงศีลแล้วปลื้มใจอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้ายังไม่เคยเลยอันนี้ไม่ใช่คำสอนผิดนะเราเดินกุศลศีลไม่ตรงร่องแน่นอนใช่ไหมเพราะเดินแล้วข่มทุกขเวทนาได้ อย่างเราก็วิ่งหาหมอช่วยฉีดมอฟีนเลยนะฉีดนะใช่ไหมโอ้ยร้องโอยโอยเลยใช่ไหม oh, long, oh, oh, oh. ทำยังไงจะรักษาศีนแล้วปลื้มใจได้จริงๆเน่ยเมื่อกี้ได้ข่าวได้ยนะินคำว่ากลุ่มรักษาวินยัยวินัยเนี่ยลองรักษาอย่างนี้หน่อยที่จะชื่นใจจริงนะให้คิดถึงศีนแล้วปลื้มใจขนลุกขนพองได้ต้องอย่างนี้สิตรวจสอบศีนใช่ไหมตรวจสอบศีนจริงๆ แล้วให้ระลึกและชื่นใจจริงๆปลาโมดปีติปัิสิทธิความสุขแล้วเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยแล้วขมได้จริงนะไม่ทุกข์ใจเลยเนี่ยอันนี้ชัดแล้วนั่นกุศลศีลจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะนี่เหมือนกันแสดงว่าท่านได้ความสุขนะท่านเชื่อมั่นในกุศลศีลก็สละชีวิตและไม่สละศีลไม่สละศิษย์าบทลักษณะนี้ก็เรียกสมาทานวิรัตเพราะพิจารณาถึงตนเองที่สมาทานไว้ จะต่างกันกับสัมปตาวิรัตส่วนสมุเฉทวิรัติเนี่ยเป็นสมุเฉทวิรัตที่เกิดอันนี้แกอย่างนี้ก็ดูในกรณีว่าเป็นศีลที่เกิดในในในมรรคเป็นอารกิเลสแล้วเป็นสมุเฉทวิรัตที่ศีลที่สัสมพยุตกัลยมรรคในเองศีลที่ประชุมกัโสดาปฏิมรรคสกาธาคายมรรคนาะคายมรรคและหัตถมรรค ศีลเหล่านี้ก็สามารถประหารกิเลสได้นะประหานกิเลสได้ยังเด็ดขาดเป็นสมุเฉทถะหารหรือสรุปก็คือศีลด้วยสมาธิด้ว ย, วยแล้วก็ปัญญาด้วยนั่นแหละประชุมกันเป็นองค์มรรคในการตัดรอนกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสมุเฉทถะประหารตรงนี้ก็มาพิจารณาในกรณีของคําว่าในด้านของในชั้นของกุศลศีลนีนะ่ยโดยในชั้นของกุศลศีลก็คือว่า มาพิจารณาถึงในกรณีคําว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาชีวาที่ขับเน้นนิพการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของอนาพิชาอภิาอยาบาทและก็สัมมาทิฏฐิถ้าตามว่าทำที่มีสภาพไม่เพ่งเล็งไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นคิดจะเอาบุคคลอื่นได้แก่อโลภะถามว่าอโลภาเจตสิกเป็นศีลอย่างไรอโลภาเจตสิกที่เกิดขึ้นในกรณีการเป็นศีลเนี่ยนะเมื่อเกิดความไม่โลภนะ ไม่โลภแล้วก็ไม่คิดที่จะฆ่าของคนไม่ฆ่าเขาไม่คิดที่จะลักทรัพย์ไม่คิดที่จะประพฤติผิดในการมเพราะเราไม่โลภไงไม่เลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จส่อเสียดก่ำหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นตอนนี้อโลภาเด่นอโลภาชัดเจนคือการไม่ติดข้องส่วนอาโทศากเป็นศีลก็คืออภัยบาทเนี่ยไม่คิดร้ายไม่พยาบาทก็คือมีเมตตามีเมตตาเป็นอาโทศัก เมื่ อ, อโทสะหรือสภาพจิตที่เป็นเมตตาเกิดขึ้นนะก็เป็นเหตุแห่งการไม่ล่วงละเมิดในการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จเป็นต้นเหมือนกันส่วนโมหะคือปัญญาเป็นศีลยังไงคือปัญญาไปพิจารณากรรมไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมถามว่าฆ่าสัตว์นี่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ลักทประพฤติผิดในการพูดเทศ็สเศส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อโลภและโกรธแล้วเห็นผิดเนี่ยเป็นอากุศลกรรมหมดเลยนะฉะนั้นปัญญาที่ไปรู้ความจริงของก ร, รําอันนี้เป็นกุศลกรรมให้ผลเป็นสุขนี้เป็นอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหมพอพิจารณาอย่างนี้เข้าใจเหตุผลไหมเข้าใจเหตุและผลก็ไปเข้าใจเลยบอกว่าฆ่าสัตว์ทําให้อายุสั้นเนี่ยเด ทำให้ข่าศาัตร์ก็เป็นเหตุทำให้อายุยืนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปดูองค์ไปดูคุณสมบัติกรณีแห่งการที่ผลกำไรที่จะพึงได้จากการรักษาศีลเนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยนั่นแหละปัญญาไปรู้ตรงนั้นแหละไปรู้กรรมไปรู้ผลของการกระทำก็เลยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบททั้งหลายฉะนั้นให้สังเกตตัวนี้ว่าถ้าปัญญาเด่นขึ้นปัญญามาทากิจชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้ามองนี้ มองในชั้นของความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาต่างๆเหล่านี้มาเด่นขึ้นก็ไปพิจารณาว่าศีลเป็นเป็นเครื่องบ่งชี้คติที่เป็นไปในภพหน้าคติหมายถึงภพภูมิเป็นสถานที่ของสัตว์ทั้งหลายนะแบ่งออกเป็นทุกคติกับสุคติเห็นไหมตัวปัญญาที่จะไปเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเมื่อทำไปแล้วก็อบายทุคติวินิบาตนารก กายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตเมื่อกระทาลงไปแล้วทางกายทางวาจาทางจิตใจก็มีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าปัญญาเนั่นแหละที่จะไปเข้าใจกติหรือความเป็นไปต่างๆถ้ามองอย่างนี้นะลักษณะศีลศีลเป็นที่พึ่งด้วยผู้รักษาศีลพอสายการรักษาศีลศีลก็สามารถระงับทุกต่างๆเป็นต้นได้เป็นที่พึ่งได้ไงพระเจ้าบอกว่า สัตว์ไปตกอบายภูมินี้มีที่พึ่งไหมดังนั้นศีลเนี่ยเมื่อรักษาแล้วก็ททำให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธาตุอายตนะในกระแสของชีวิตแล้วศีลเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้ตกอบายภูมิถ้ารักษาศีลได้ถูกต้องเดินตามรอยบาทพระศาสดานะตัวกุศลศีล น, นี่ก็สามารถทำให้พ้นจากสังสารวัตด้วยศีลเป็นที่ตั้งไหมเป็นที่ตั้งของอะไร สติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พระโาพุทธชงอริยมรรคถ้าไม่มีกุศลศีลเป็นที่ตั้งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดศีลเป็นเครื่องยึดหน่วงยึดเหนียวด้วยเป็นเครื่องยึดเหนียวด้วยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าศีลเป็นเครื่องยึดเหนียวเนี่ยก็หมายความว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะที่จะสามารถมีเครื่องยึดหน่วงเหนียว เป็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยึดหน่วงได้นะี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับศีลศีลเป็นเครื่องย็ดหน่วงเบ็ดเสร็จแล้วทําให้ตนเองนั่นนะปลอดภัยได้และอย่างหนึ่งก็ทําให้ตนเองนั้นนะไม่กลัวตายเนะี่คนที่กลัวตายคือคนไม่มีศีลนะคนรักษาศีลที่ไม่กลัวตายนะีถ้าศีลบริสุทธิ์จะไปกลัวตายทําไมถึงนเจต ด, ดูไหมเพราะโพธิสัตว์ไม่เคยกลัวตายเลยเพราะมั่นใจในกุศลศีลตนเองเขาถามบอกว่าท่านไม่กลัวตายหรือบอกไม่ เรามีเชือกยึดเนึ่งเอาเรามีอะไรมีกายสุจิริตรวจีสุจริริโดยเฉพาะมีมโนสุจิริก็เรามีสุจิริสามเรามีกุศลศีลเราจะไปกลัวตายทําไมเราตายไปเราก็ไม่ตกนรกถ้าคนที่กลัวตายคือคนทําชั่วสิใช่ไหมก็เราทําดีแล้วกลัวตายทําไมเอาถ้านั่งฟังทำแล้วตายเนี่ยไปสุคติไหมเจกลัวทําไมดังนั้นใช่ไหมท่านั่งหลับ แล้วตายไปในขณะ น, นี้ไปไหนไปอาบายนะไปอาบายอ่ะล้วต่อรองได้ไหมนั่งฟังธรรมที่พูดโลกทำไมตายให้เราตกนรกต่อรองไม่ได้ก็าบาปมันเกิดใช่ไหมเพราะสร้างเหตุผิดนี่เขาก็ต้องบอกว่าเอาทำไมคุณฟังธรรมแล้วคุณไม่ตั้งใจเล่าก็บอกก็ตั้งใจแล้วมันเผลอล้วต่อรองได้ไหมไม่ได้หรอกเอาพวกเราก็ไปช่วยกันไปบอกกับ น, นายนิยบาล บอกอย่ไปทําก็เลยก็เป็นคนดีเข้ามาทําบาปในขณะฟังทำครั้งเดียวเองพอดีมรณาสถานการเกิดขึ้นบาปในเด็ดก็เลยส่งผลทําให้เขาต้องตกนรกฉะนั้นนายยาบานช่วยเขาเธอช่วยดึงออกจากนรกหน่อยถามว่านายเนี่ยบาลจะเชื่อมั้ยเขาไม่ฟังเราจะไหมพวกเราไปขอร้องไงก็ไม่ฟังนะเขาไม่ฟังเลยเห็นไหมว่าศีลเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเวลาจะ ฟังธรรมก็ให้ศีลเกิดบ่อยๆให้ทานกุศลศีลกุศลโดยเฉพาะภ า, า, าวนากุศลเกิดให้ต่อเนื่องอีจใจเป็นเวกุศลเป็นเครื่องบ่งชี้คติในพบหน้าดังที่ได้กล่าวแล้วและศีลเป็นวงของพระพุทธเจ้าด้วยคํ้ามาวงก็แปะเชื้อสายเหล่ากอลิอตรกูลน่ยนะศีลเป็นวงของพระธรรมคตพระธราคตหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยในระหว่างที่บําเพ็ญบารมีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็การรักษาศีล เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทรงบัญญัติไว้บุคคลนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นอะไรดีเป็นเชื้อสายเป็นเหล่ากอเป็นคนเกิดในตระกูลของพระพุทธเจ้านืกว่าที่พระองค์จะได้บรรลุอภิสสัมมาสัมปวิญานเนี่ยพระองค์ก็รักษาศีลในชาติต่างๆหาประมาณไม่ได้อ่อเช่นสังฆปาละนาคาลาชเออยูริตตตะนาคาลาชเอยจัมเปยการนาคราชพญาศีหราชเป็นพญาช้างฉัดทันก็มีเป็นพญาช้างเลี้ยงมารดาบิดาพญาช้างฉัดทัน ความเป็นไปของพระโพธิสัตว์ที่สเสวยประชาติในชาตินั้นๆที่ยิ่งด้วยศีลเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะเขาบอกว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นบกว่าศีลเป็นเครื่องป้องกันด้วยสมบัติในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าศีลเป็นเครื่องป้องกันสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นเพราะอาศัยอะไรอาศัยความเป็นผู้มีศีลนะบุคคล น, นั้นจึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์จึงเป็นผู้มีอายุยืนใช่ไหม คนเรามีย่อยืนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นะเป็นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอาศัยความเป็นผู้มีศีลก็ไม่รักทรัพย์เมื่อเกิดในชาติต่างๆทรัพย์สมบัติของผู้นั้นก็ไม่เกิดอันตรายพกไฟบ้างเพราะลมบ้างเพราะแผ่น ด, ดินไหวบ้างเพราะโจรบ้างเพราะโดนลิฟต์เป็นต้นบ้างเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าศีลมีโอกาสส่งผลทรัพย์ของตนก็ ก็ไม่เป็นอั น, อนตรายการรักษาศีลเป็นเครื่องป้องกันซึ่งสมบัติทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยยิ่งบุคคลใดรักษาศีลอย่างจริงจังนะโอ้โหเอาเป็นทุลาสำคัญเลยตรวจสอบศีลทุกวันวันหนึ่งทั้งสองรอบสามรอบนี่นะตรวจสอบตลอดเลยเนะี่ยว่าเออเราผิดข้อไหนก็สมาทานซ้ำในญาติโยมเนี้นะ เขารู้ว่าเออข้อนี้ล่วงละเมิดแล้วก็สมาทานใหม่ก็สมาทานใหม่อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตรวจสอบศีลอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าความเป็นผู้เข่งชัดในศีลที่ตนรักษาเมื่อได้โอากาสเป็นมนุษย์อาศัยศีลที่มีรักษาอย่างแท้จริงเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขาได้เกิดเป็นพรมะมนามหาสารบ้างหรือเนี่ยด้วยอํานาจของศีลเป็นเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ น, นะ ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าจั ก, กรพรรดิสมบัติเทวาสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติสาวกบา ร, รมียานปัจเจกโบริยานสัมมาสัมโพธิญาณได้มาพระศีลได้มาพระกุศลศีลศีลเป็นเครื่องประดับอันงามวิจิตรด้วยเป็นอลังการละด้วยเขาบอกเครื่องประดับทุกอย่างที่เราประดับประดาตกแต่งเนี่ยจะอลังการด้วย มากไปเท่าศีลไม่ได้ศีลนั้นอลังการมากเกี่ยวกับเรื่องที่ ว, ว่าพระอาทิตย์ก็มีรัศมีสองสว่างในตอนกลางวันพระจันทร์ก่อนกลางคืนอยู่ไหมพระมหากษัตริย์ก็รุ่งเรืองงดงามตอนที่ทรงเครื่องสัพพาอภรณ์อลังการที่ใช้สําหรับกษัตริย์ถามพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีนี่นะพระราชามหากษัตริย์เนี่ ย, นะาาายไม่เด้งงามตลอดการนะไม่ได้งงามตลอดการ ความเป็นผู้มีศีลนี่งามได้ตลอดการเลยนะผู้ได้เจ้าเนี่ยสังเกตดูทีชื่อเสียงของผู้ได้เจ้าเนี่ยกระจรกระจายไปทั่วเลยที่ท่านใช้คําว่าทิวาตปฏิอาทิโจราติมาปฏิจันติมาสันโถคติโยตปฏิชายีตปฏิพระมโนอัฏฐสัพมโหรติงพุทโธตปฏิเตยจสาตาติสังเตยสัมปนังพุทธังวันทานมิสาตรังบอกว่าเห็นไหมบอกว่าพระอาทิตย์ก็กังวันเท่านั้นแหละมีรัศมีเพราะกังวันเท่านั้นแหละ พระจันทร์ก็มีรัศมีแค่เฉพาะกลางคืนพระราชาหมหากษัตริย์งามเฉพาะตอนทรงกษัตรเนี่ยทรงเครื่องบรรณาการทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นเองไม่งามตลอดการนะแต่พระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าที่ประดับด้วยศีลสาวก พ, พุทธเจ้าทั้งหลายที่ประดับด้วยศีลน่ยงามทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมงามตลอดการด้วยศีลนะจึงบอกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอลังการละเป็นเครื่องประดับและมีความงามงามเย็นทุกวันเนี่ยเราดูที กายกรรมวจีกรรมของพระพุทธเจ้างดงามมากเพราะขับเน้นด้วยกุศลศีลในใจนะอุตละมานพเนี่ยตามดูพระบรมศาสดาเจปีนะตามอยากจะดูว่ามีบ้างไหมที่จะมีการทํากายกรรมวิจิกรรมให้กระจัดกระจายเม้เล็กน้อยอ่ะไม่มีเลยอ่ะอันนี้บ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมบ่งบอกถึงความความงดงามที่แสดงออกมาทางกายกรรมและวิจีกรรมงามจริงๆเนี่ยศีลนั้เป็นเครื่องประดับนะ่ง ข้อวัดต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆเนไม่ว่าจะมองจะขยับมือจะขยับเท้าจะนั่งไม่มีนะพระบรมศาสดาจะไม่นั่งตัวงอๆอย่างเราไม่มีเลยใช่ไหมนั่งตัวตรงประดุจตังกายผมงดงามมากน่าตื่นเต้นไหมล่ะใช่ไหมตรงนั้นถึงบ่าเป็นเป็นเครื่องประดับอย่างงดงามเลยนี่คือกุศลศีลถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่า ตัวศีลทั้งหลายเหล่านี้ดังกล่าวแล้วเนี่ยในด้านของพระเจ้างามด้วยตัวองคุโสราศีทั้งหลายมาจัดแจงทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของสังวรเนีเจตนาจัดแจงเจตสิกแต่เจตเจตสิกศีลท่านหมายอาวิรัตตีสามเป็นต้นนะนะอันนั้นขับเน้นเป็นโดยตรงไปทีนี้ถ้ามองถึงด้านของสังวรเนี่ย การปิดกั้นบาปด้วยสติเป็นต้นเหล่านี้นะคำว่าสังวรทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่5อย่างนีปาติโมกสังวรสติสังวรหรืออินเดียสังวรแล้วก็ยานะสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรนี่นะทีนี้ในสิกขาบทที่นับเนื่องในพระวินัยนี่นะจำแนกออกเป็นจารีตศีลสิกขาบทที่ควรกระทำให้เต็มและก็วาริตศีลก็คือสิกขาบท ที่เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรกระทําในสังวร5ประการเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าพร้อมแล้วประกอบพร้อมแล้วด้วยปาฏิโมกสังวรปาฏิโมกขสังวรเนี่ยที่พระเจ้าตรัสบอกว่าภิกษูเป็นผู้เข้าถึงแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยปาฏิโมกสังวรในด้านของปาฏิโมกสังวรเนี่ยมีศรัทธาเป็นประธานมีศรัทธาเป็นเครื่องให้สำเร็จ ฉะนั้นในด้านเขาปาฏิโมกขังวอในศีล2องเป็นต้นแต่เป็นของคารวาทั้งหลายก็ศีลห้าเนี่ยนะศีล5้าศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, สอุโสถศีลของคารวาทั้งหลายเหล่านี้เป็นปาฏิโมกขังวรศีลของคารวะทั้งหลายตรงนี้ก็คือมีศรัทธาในการตัดสู้ของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าตัดสู้นุตตะลาสัมมาสามัมโพธิญาณทีพระองค์ก็ประทานกุศลศีลบอกว่า สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วสัตว์เหล่านั้นจะไปเกลื่อนกลนในใบยาภูมิปสัตว์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานเปรตแล้วสุรกายโดยเฉพาะโดยเฉพาะก็คือเจ็บปวดในสังสารวัตยอย่างยาวไกลพระบรมศาสดามีพระมาหากรุณาธิคุณก็บัญญัติศิกขาบทประทานเลยนะ ทีนี้อย่าลืมนะว่าศีลห้าเนี่ยเป็นปกติศีลเป็นนิจศีล ข, ของของฆราวาส ท, ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถืออันนั้นไม่เป็นประเด็นสําคัญเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นมาด้วยกุศลห้าได้ยินคําว่าสิทธิมนุษ ย, ยชนมไหมนั่นแหละสิทธิในการที่จะเป็นมนุษย์ได้คือศีลห้า ถ้าไม่มีศีลห้าหมดสิทธิในการที่จะเป็นมนุษย์เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็มีองค์กรสิทธิมนุษ ย, ยชนที่จริงน่าจะเอาศีลห้าไปบอกเขาบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วสิทธิในการเป็นมนุษย์คือศีลห้าคือกุศลกรรมบทนะฉะนั้นนี่มันสิทธิทุกคนเป็นนิจศีลของคนทุกคนเห็นไจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ต้องมีอยู่เป็นประจำ ถ้าใครล่วงละเมิดศีลห้าเนี่ยเขาเรียกคนไม่ดีก <c oughs> ็เรียกคนไม่ดีทั้งนั้นแหละตรงนี้ก็เรามามองในกรณีนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าเออในด้านของปาฏิโมกสังวรศีนี่ยแยกเป็นสองส่วนในส่วนของในส่วนของวาริตาเนี่ยออจะจาริตาแล้วก็วาริตาเนี่ย ญาติตาก็คือศิกขาบทที่ควรกระทาให้เต็มมันั้นก็คือในข้อวัดปฏิบัติต่างๆถ้าเป็นพระก็ในขันถกาวัดในมหาวัดข้อที่พึงปฏิบัติในการที่จะปฏิบัติต่อสาธรรมิกด้วยกันในการที่ปฏิบัติต่อลานพระเจดีย์ต่อลานโพทั้งหลายเป็นข้อวัดปฏิบัติในการซึ่งจะปฏิบัติต่อกันและกันซึ่งจะต้องทําให้เต็มให้บริบูรณ์ ส่วนจริตตาของคารวาทั้งหลายคือการปฏิบัติต่อมารดาบิดาครูอาจารย์เป็นต้นอันนั้นก็ควรทำให้เต็มส่วนวาริตศีลอันนี้ก็เป็นข้อห้ามในกรณีอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนของปฏิโมกสังวรศีนก็ควรจะกระทาไม่เกิดขึ้นประการต่อมาคือสติสังวรนี่ยคืออินเดียสังวรเนี่ยอันนี้ก็คือว่าไม่ราคาโทสะโมหะหมุนก็สู่กระแสจิต ในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรถแล้วก็กายถูกต้องเย็นร้อนใจคิดนึกทำมารมทั้งหลายเนี่ยไม่ให้ราคะไม่ให้โทสะไม่ให้โมหะไม่ให้ความกำหนัดขัดเครื่องรุ่มหลงไหลก็สู่กระแสจิตนี้ปิดบาปได้ด้วยสติสังวรอันนี้สติเตสังนิวรณังนี่นะฮะสติเป็นทำนบเป็นเครื่องกั้นกระแสบาปกระแสคือตัหากระแสคือทุริตททั้งหลาย กระแสคือโลภะกระแสคือโทสะกระแสคือโมหะกระแสคือกายทุจริตวจีทุจริตละมโนโทุจริตไม่ให้ทุจริตเหล่านี้ไหลเข้าสูส่กระแสจิตนะก็หมายความว่าไม่ให้ราคะโทสะโมหะนั่นเองหมุนเข้าสู่ใจคนที่ราคะโทสะโมหะหมุนเข้าสูจ่จิตใจก็ทําให้บุคคลเหล่านั้นทําชั่วได้ทางกายทางวาจาก็ว่าไปทางใจทุจริตสามก็เกิดขึ้นล้ ที่บอกยานิโสตานิโรกัสมิงสติเตสังนิวรานางโสตานังสังสังวรังพูุมิปัญญาเยเตปิถิเทเรที่บอกว่าท่านอาชิตากระแสทั้งหลายคือกิเลสเหล่าใดในโลกกระแสใน น, นี้มีกี่อย่างเนี่ยหนตัณหาก็เรียกว่ากระแสเ อ, อาวิชชาคือความมืดบอดของจิตที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่ากระแสเหมือนกันทุจริตกายทุจริต วจรจริตมโนทุจริตก็เรียกว่ากระแสะทิฐิด้วยนะความเห็นผิดทั้งหลายก็เป็นกระแสะกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกระแสะหมดเลยถามบอกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นสติที่ปิดบาป ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอถ้าพูดถึงเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยใช้สติสังวรกันดีไหมแข็งแรงดีไหมเห็นแล้วรกักความกำหนัดไม่เกิด <mister tumors> ขัดเคืองก็ไม่เกิดลุ่มหลงก็ไม่เกิดเป็นไปได้ดีไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บก mm. <ม>็กำหนัดก็ไม่เกิดขัดเคืองก็ไม่เกิดลุ่มหลงก็ไม่เกิดเป็นไปได้ไหมสรุปก็เห็นแล้วเนี่ยกายทุจริตวิจิตทุจริตมโนทุจริตไม่เกิดไม่เป็นเหตุแห่งการเกิดทุจริตสได้ยินก็ไม่เป็นเหตุแห่งการเกิดทุจริตสได้กลิ่นก็ไม่เป็นเหตุแห่งการเกิดทุจริตสลิ้มรสกินอาหาร แยกใครไปกินมาสองชั่วโมงที่หวานมาเป็นยังไงมนโนทุจริตเกิดไหมเกิดยินดีกำนัดเกิดขึ้นมามะขัดเคืองไหมร่มหลงมะหรือเฉยเฉยเฉยเฉยบางทีเป็นโมหะไปแล้วเนี่ยต้องระวังนะตรงนี้ก็คืออย่าให้ความอยาให้ทุจริตสามเกิดในขณะที่กระทบเย็นร้อนก็อยาให้ทุจริตสามเกิด คิดนึกเรื่องราวต่างๆก็อย่าให้เป็นปัจจัยกับการได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสรุปแล้วทางกายทางตาได้ได้สุจริตสใช่ไหมเป็นปัจจัยให้ได้สุจริตสทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจ6กคูณสเท่าไหร่เท่า ไ, ร ไ, 18, ไหร่ได้สิใช่ไหมได้สุจริตสิบดเเดินได้อย่างต่อเ น, นื่องไหมก็ไปใข้ครวรดูนะ นั่นแหละคือคือเส้นทางของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องไปไข่ครวนแล้วไปขับเน้นให้เกิดแล้ว น, นี่คือส่วนที่บอกว่ากระแสทั้งหลายเหล่านั้นนะ่ะปิดไว้ด้วยการตัดขาดด้ด้วยปัญญาเป็นญาณสังวรปิดในที่นการตัดขาดตั้งญาณสังวรกับปัญญาในเรียมากเลยจะตัดได้เด็ดขาดนี่นะประการต่อมาขันติสังวรตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเออ อุบาสกบาซิกาเนี่ยต้องต้องมีคันติสงวนเยอะๆเป็นชั้นศีนก่อนนี่นะการอดกั้นที่เป็นอธิวาสนาคันตินา ม, มาขันท์ทั้งหลายอที่ที่มีอาโทสาเป็นประธานที่มีอาโทสาเป็นประธานเดิมาพิจารณางนนี้นะว่าอาโทสานี่คือความไม่โกรธ เป็นชื่อของขันติใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าเวลาเราไปเจออากาศที่หนาวร้อนหิวกระหายมันงดหงิดขึ้นไหมสังเกตงี้นะหรือได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไปเจอเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเนี่ย แล้วมันจิตใจมันโกรธขึ้นมามันโลดแล่นขึ้นมาเนี่ยอันนั้นบ่งบอกว่าไม่มีขันติสังวรเนี่ยไม่มีศีลคอนไม่มีศีลเพราะศีลมันมันกำเริบที่ไหนก่อน